Woo! <coughs> प ปเย่สำเพยโกรดุขโขไปเย่วि प เพยोกรดุ ख โขยัมปิชัมโนลาบุติตัมปิดุขหัมสังขิต प ตปันจุปาดานัคนย อิดัมข้อปัญหาเรื่ ख งอิดัมขปัญหาเรื่องดุขสมปะยมยมอริยสัจฉมยายมตัณหา โค भ व ि क ा न นันดีราษฎร त त ต त त รต त ตระบิน न น द ि न ี स ศยท् ध ी त ม कामतन्हा, भवतन्हा, विभवतन्हा, สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับต่้แต่จากนี้ไปจะเป็นการบรรยายธรรมจากท่านอาจารย์รญญาา ป, รประสมทบประกะโมวัดกลางอำเภอบางปรามาจังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องสัมมาทิฏฐิสูตร ในชุดที่สองขอเชิญท่านติดตามรับฟังการบรรยายได้นะบัดนี้ครับ อายเมวาอริโยอัธมกโกมะโกเศยติธรรมสมมติธีมมาสังคภูสมมาวาจ Samma kammanto, sama ajivo, sama bahy. ในสัมมาทิฏฐิสูตรที่จะอ ธ, ธิบายก็อธิบายตามประพัญเจสุทนีอัตถกถามาชิมนิกายมูลปันนาในวันนี้ขึ้นในบทที่บอกว่าแก้มิจฉาทิฏฐิคําว่าแก้มิจฉาทิฏฐินั้นคือการขยายหรือทําความเข้าใจในมิจฉาทิฏฐิโดยความหมายของมิจฉาทิฏฐิน่ะถ้าถามว่าหมายความว่าอย่างไรเนี่ยคาตอบก็คือหมายความว่า ม, ามีความเห็นผิด มีความเข้าใจผิดเนี่ยมิจฉาทิฏฐิเนี่ยคือเห็นไม่ถูกต้องเห็นไม่เห็นไม่ดีงามเห็นไม่ตามไม่เป็นไ ป, นปนตามความเป็นจริงมิจฉาทิฏฐิเนี่ยอย่าลืมนะว่าไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เข้าใจเรื่องชั่วๆเนี่ยเขาเข้าใจได้อย่างละเอียดละออลึกซึ้งถี่ถ้วนเลยซ้ว่าใช้คำว่าลึกซึ้งได้ด้วยทีนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของสไอมิจฉาทิฏฐินะั้นะนะมีอยู่สามในในแรกนั้นะเป็นในของสักยทิฏฐิ20ส ที่ได้กล่าวไปแล้วคือการยึดมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเนี้ยฉะนั้นสักยทิฏฐิยี่สิบเน่คือขันห้ารูปขันก็ยึดสี่อย่างเวทนาขันสี่อย่างสัญญาขันสี่อย่างสังขารขันสี่อย่างวิญญาณขันอีกสี่อย่างรวมเป็นสี่ห้าก็คือยี่สิบเลนีย เห็นรูปเป็นเราเราเป็นรูปรูปอยู่ในราเราอยู่ในรูปเนี่ยลักษณะอย่างนี้เป็นต้นดังที่ได้กล่าวประการที่สองคือมิจฉาทิถีหกสิบสองที่แสดงไว้ในพมชาลาสูตรแห่งศีลขันธวักเนี่ยมิจฉาทิถีหกสิบสองเดบรรดาลทิต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายในสมัยก่อนก็มาจากขบวนการของมิจฉาทิฐิอันเนี้ยพระพุทธเจ้าแสดงไว้เป็นหกสิบสองอย่าง ส่วนประการที่สคือนิยตมิจฉาทิฏฐิสที่แสดงไว้ในสามัญผลยสูตรแห่งศีลขันทวรักของทีขนิกายเหมือนกันทีนี้ถ้าถามว่ามิจฉาทิฏฐิเพราะเห็นผิดโดยมีการยึดถือไม่มีการยึดถือตามความเป็นจริงคือสิ่งที่มันเป็นจริงแต่ไปเห็นในสิ่งนั้นไม่จริงอ่ะอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิ ในหลักการของมิจฉาทิฏฐิโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าศึกษาหรือทําความเข้าใจเนี่ยท่านจะแยกออกมากมายในจุดของมิจฉาทิฏฐิที่ท่านแยกออกนะคำว่ามิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดไปจากความเป็นจริงเนี่ยมิจฉาบวกทิฏฐิสองคำนะมิจฉาเนี่ยก็แปลว่าวิปริตก็ได้ทิฏฐิเนี่ยคือความเห็น ถ้ารวมกันแล้วก็คือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิก็แปลว่าความเห็นที่วิปริตหมายถึงความเห็นที่ผิดแเพกไปจากความเป็นจริงมาจากคําว่ามิจฉาปัสตติติมิจฉาทิฏฐิเนี่ยก็แปลว่าไงธรรมชาติใดย่อมมีความเห็นที่วิปริตผิดไปจากความเป็นจริงฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่ามิจฉาทิฏฐิสภาวะองค์ธรรมก็ได้แก่ทิฏฐิเจตสิกนั่นแหละในเรื่องของมิจฉาทิฏฐิเนี่ยพระพุทธองค์แสดงไว้กว้างขวางมาก ดังที่ได้กล่าวสักกายะทิฏฐิก็มีแล้วก็ทิฏฐิหกก็มีแสดงไว้ในพมัญชารสูตรนะและอีกอย่างก็คือที่เป็นเนืยตามิจฉาทิฏฐิสประการนั้นก็มีถ้าพูดถึงในเรื่องของมิจฉาทิฏฐิเนี่ยในทุจริตเนี่ยมุ่งหมายเอาเฉพาะเนืยตามิจฉาทิฏฐิสประการนะถ้าในทุจริตนี่นะท่านมุ่งหมายเอาเฉพาะเนืยอตามิจฉาทิฏฐิสประการนะเออถ้าเราดูตรงนี้เนี่บอกว่า มิจฉาทิถีนันมีลักษณะเห็นผิดโดยในเป็นอที่ว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลเป็นต้นเนี่ยฉะนั้นในนิยตามิจฉาทิฐนะีนั้นนะนะนัตถิกาทิฐิมีความหมายว่าทำอะไรก็ตามผลที่พึงจะได้รับนั้นย่อมไม่มีความเห็นผิดชนิดนี้จัดเป็นอุเฉต ท, ทิฐิด้วยคือเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วก็ศูนย์ไม่มีการเกิดอีกในสามัญผลยสูตรนั้นแสดงความเห็นผิด ชนิดที่เป็นนัตถิกาทิฐิก็ว่าประการแรกที่บอกว่านัตถิกาทิฐิเนี่ยนะความเห็นที่บอกว่านัตถิทินังเห็นว่าการให้ทานการได้รับผลนะ่ะไม่มีคือทานนากุศลเมื่อทําไปแล้วนะ่ะไม่มีผลการบูชาต่างๆไม่มีผลการต้อนรับเชื้อเชิญนะ่ะไม่ได้รับผลหรืออีกอย่างก็คือว่าการทําดีทําชั่วไม่ได้รับผลแต่ประการใดเนี่ยเห็นว่าผู้มาเกิดในพบนี้ก็ไม่มี เห็ว่าผู้ที่จะไปเกิดในภพหน้าก็ไม่มีคุณของมารดาไม่มีคุณของบิดาไม่มีนี่สัตว์ที่เกิดผุดโตขึ้นทันทีหรือว่าพวกสัตว์นรกเปรตเทวดาพรหมนั้นไม่มีหรือเห็นว่าสมณพราหมณ์หรือพระพุทธเจ้าที่รู้แจ้งโลกตามความเป็นจริงแล้วก็ตรัสรู้ได้โดยตนเองสามารถแนะนําให้บุคคลอื่น ปฏิบัติแล้วก็รู้ตามได้ด้วยนะไม่มีเนี่ยการเห็นในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นว่าไม่มีผลมีเป็นอย่างนั้นนะนี่คือกลุ่มของอะไรกลุ่มของนาทิกาทิฏฐิปฏิเสธอะไรนาทิกาทิฏฐิเนี่ยปฏิเสธผลส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือพวกไอเหตุกาทิฏฐิมีความยินดีพอใจและมีความเข้าใจว่าสัตว์ทั้งหลายที่ได้รับความเศร้าหมองเร่าร้อนนะี่หรือได้รับความสะดวกสบาย น, ะ น, ะ น, ะนะนะั้นน่ะในปัจจุบันนี้ไม่ได้อาศัยอะไรเป็นเหตุ คือไม่ได้มีเหตุปัจจัยอะไรต่างๆทาํามาหรอกว่าไง น, นคนเราจะได้รับสุขหรือได้รับรับทุกเนี่ยเราก็ได้รับเองมันเกิดขึ้นมาลอยๆอย่างนั้นพวกกลุ่มพวกนี้ปฏิเสธเหตุแล้วก็ถึงบอกว่าปฏิสนธิทั้งหลายเนี่ยปฏิสนธินี่เป็นผลไหมปฏิสนธิคือการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอรูปภพทั้งหลายเ ป, เป็นเป็นเปรตอสุรกายสัตว์ดิบฉ า, านเนี่ยคือปฏิเสธจริงๆว่าการเกิดอย่างนี้ไม่ได้มีไม่ได้มีเหตุแน่ดีบ้ว นี่เขาเรียกกลุ่มนี้ปฏิเสธเหตุส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือปฏิเสธอัคตริยยิทิที่นี่มีความเห็นว่าความพอใจว่าสัตว์ทั้งหลายจะทําดีทําชั่วเนี่ยเป็นศักแต่ว่าการกระทําพวกนี้ไม่ถือว่าเป็นบุญเป็นบาปเลยนะจะทําเองใช้คนอื่นทําก็ไม่เรียกว่าเป็นบุญเป็นบาปการกระทําร้ายผู้อื่นการลงโทษผู้อื่นให้เดือดร้อนเนี่ยไม่เรียกว่าเป็นบุญเป็นบาปเลยนะแล้วเขาเห็นได้ลึกซึ้งขนาดไหนไหมกลุ่มมิจฉาทิฏฐิพวกนี้ มีความเห็นขนาดว่าถ้าอาวุธไปยิงใครเนี่ยอาวุธนั้นก็คือดินน้ำไฟลมประชุมกั น, นไอสิ่งที่ถูกกระทําก็คือดินน้ำไฟลมประชุมกันเหมือนเอาธาตุต่อธาตุไปทะลวงเข้าใส่กันมันเลยจึงไม่มีบาปคือเห็นอะไรทุกอย่างเนี่ยเป็นสะสารเห็นเป็นวิทยาศาสตร์หมดเลยเห็นหน่ากลัวกันในความคิดพวกนี้เนี่ยเขาจะมีความเห็นบอกว่า สัตว์ทั้งหลายที่ถูกฆ่าตายก็ดีถูกกระทําก็ดีหรือไปกระทําเขาก็ดีเนี่ยไม่เรียกว่าเป็นการทำเลยเพราะเป็นแต่เพียงว่า อาการนั้นนั้นเองฉะนั้นจะถือว่าเป็นบุญเป็นบาปได้อย่างไรแต่มนุษย์สังคมนี่แหละก็เลยมาบัญญัติอะไรต่างๆขึ้นมาเพื่อไม่ให้สังคมนั้นเกิดร้อนก็แค่ตรงนั้นเองไม่ให้วุ่นวายแต่ที่จริงก็ไม่มีเราที่แรกถึงบอกว่าไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปตลอดถึงการประพฤติผิดทุศีลต่างๆก็เห็นว่าไม่เป็นบาปทั้ง น, นั้นปฏิเสธกรรมมันเป็นตัวเหตุแล้วก็ปฏิเสธผลอันเป็นตัวผลของกรรมด้วยผลของกรรมด้วยองค์ของมิจฉาทิฏฐินั้นมีอะไรบ้างอะ องค์ของมิจฉาทิฏฐินั้นมีอยู่สองประการนะในเนี้ที่บอกไว้เนี่ยมีโทษมากและโทษน้อยดูตรงไหนความเป็นจริงมิจฉาทิฏฐิมีลักษณะเห็นผิดโดยในเป็นฐานที่ให้แล้วไม่มีผลเป็นต้นชื่อว่ามีโทษน้อยหรือมีโทษมากเหมือนสัมภพระปะอีกประการหนึ่งมิจฉาทิฏฐินี้ไม่แน่นอนเนี่ยยังไม่ดิ่งชื่อว่ามีโทษน้อยที่แน่นอนคือดิ่งเนี่ยชื่อว่ามีโทษมาก ในกลุ่มของพวกสักยทิฏฐิเอ่ยในกลุ่มของมิจฉาทิฏฐิอื่นๆเนี่ยที่ไม่ดิ่งลงเป็นนิยตามิจฉาทิฏฐิทั้งสประการที่ได้กล่าวเนี่ยถ้ากลุ่มของนาทิกาทิฏฐิที่เห็นว่าไม่มีเนี่ยนะอหตุกาทิฏฐิปฏิเสธเหตุหรือว่าอัคคียะทิฏฐิปฏิเสธทั้งเหตุและผลเนี่ยนีในกลุ่มเหล่านี้แน่นอนไหมกลุ่มเหล่านี้แน่นอนเขาเรียกนิยตามิจฉาทิฏฐิแน่นอนในการที่จะลงอวัยวง กลุ่มที่แน่นอนในการที่จะลงอใยภูมิกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่เป็นโทษมากมีโทษมากส่วนกลุ่มที่ยังไม่แน่นอนนั่นก็แปลว่ายังไม่ดิ่งยังพอที่จะละความเห็นเช่นนั้นได้แต่ถ้าหากในกลุ่มที่ดิ่งลงไปแล้วเนี่ยถอนไม่ขึ้นแล้วเนี่ยตอกย้ำเข้าไปแล้วเนี่ยบางกลุ่มมีนะบางดอกบางบตะปูบางจำพวกเนี่ยมันยาวจัดแล้วมันตอกลงไปในเนื้อไม้ที่แข็งแรงจัดถอนก็ถอนไม่ได้แปลว่าต้องทําลายไม้อย่างเดียวอย่าง ถ้าในกลุ่มนี้โอ้โหเสียหายแล้วนั้นถ้าหากไปเห็นถึง ข, ขนาดนั้นเห็นประเภทที่งโง่ไม่ขึ้นแล้วเนี่ยตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ที่ผิดเชื่อและยินดีในในอารมณ์นั้นองค์ประกอบมีอย่างนี้ไหมมิจฉาทิฏฐิมีองค์ประกอบสองประการน่ยคือการคือการที่เรื่องนั้นผิดไปแล้วก็อาการที่ยึดถือการปรากฏขึ้นแห่งเรื่องนั้นโดยไม่เป็นอย่างที่มิจฉาทิฏฐิของบุคคล น, นั้นยึดถือ ในเรื่องของการตั้งมั่นอยู่ในรมที่ผิดแล้วก็เชื่อและยินดีพอใจในรมนั้ น, นถ้าพิจารณาอย่างนี้ดังที่ได้กล่าวบอกว่าการให้โทษของนัตถิกาทิฏฐิอเหตุกาทิฏฐิและอกเริยทิฏฐิทั้ง3อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นมีการครบที่เขาเรียกครบอะไรครบองค์กลมมบทเป็นอปาญคมานิยะชื่อว่าเป็นชนกกรรมนําไปปฏิสนธิในไหนนําปฏิสนธิในอบายภูมิเป็นอบายสัตว์ ทีนี้ในการนำปฏิสนธิไปเกิดในอบยภูมิเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานส่วนมิจฉาทิฏฐิอื่นเนี่ยที่ไม่ครบกรรมกรรมบทนี่นะก็เป็นอกุศลทุจริตให้ผลในประวัติการได้มิจฉาทิฏฐิมีโทษมากมีโทษน้อยนี่เพราะอะไรอ่ะมีโทษมากมีโทษน้อยนั้นมีเหตุก็คือเพราะอาเสวนะมากเพราะมีความเห็นผิดดิ่ง ถ้าหากเราไปมีอาเสวนาคือการตรึกการพิจารณาเห็นอย่างนั้นบ่อยๆและจนมั่นอกมั่นใจในความเห็นที่เป็นผิดนะความเห็นที่ไม่ตรงต่อความเป็นจรงนิงนะอย่างเช่นไปเห็นว่าพิจารณาไปพิจารณามาทำไปทำมาใขค้ครวญไปไข้ค ร, ครวรมาเนี่ยอยู่ที่การเสวนาเสวนาคือเสพมากเสพเรื่องมากเสพเสพเรื่องนั้นมากแล้วคุ้นเคยเรื่องนั้นมากพิจารณาเสพคุ้นอยู่ในแหละจนดิ่งแล้วมั่นใจว่าเออเนี่ย ทานที่ให้แล้วไม่มีผลจริงๆการบูชาต่างๆไม่ได้รับผลจริงๆแล้ว ก, การต้อนรับเชื้อเชิญไม่ได้รับผลการกรรมดีกรรมชั่วไม่มีผลคุณของพ่อแม่คุณของบรรดาบีดาไม่มี สัตว์อยู่ในภพนี้ไม่ได้มาจากภพอื่นสัตว์ที่อยู่ภพนี้ก็ไม่ได้ไปภพอื่นอย่างนี้เป็นต้นโอวาติกะกําเนิดไม่มีคนที่จะตัดรู้ได้ด้วยตนเองนะไม่มีเนี่ยการคิดและดิ่งเสวลนะในเรื่องนี้บ่อยๆเศพเรื่องนี้คุ้นกับเรื่องนี้บ่อยๆ อ, อย่างนี้ที่ว่ามีโทษมากครบรอมาบทแล้วเรื่องที่เสพคุ้นนั้นนะมีความเห็นผิดดิ่งดิงดงลงไปเรื่อยๆเลยนะ อย่างเนี้ยใครก็ใครเถอะดึงเปลี่ยนแปลงทำยังไงก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ย้อนกลับมาเลยเขาเรียกเป็นมิจฉาทิฏฐิโดยสมบูรณ์แบบขนาดพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนโมฆะบวรษการความเห็นของเธอนั้นจะฆ่าตัวเธอเองเธอจะประสบทุกขโดยมากนะเนี่ย ก็ไม่ฟังมีโทษน้อยเพราะเหตุว่ามีเสวนาน้อยข้อมีความเห็นผิดไม่ดิงฉะนั้นการตรึกเรื่องชัว่วเรื่องผิดเรื่องอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยควรตรึกบ่อยๆไหมควรจะคิดบ่อยๆไหมเรื่องไม่ดีเนี่ยควรจะคิดบ่อยๆไหมถ้าจะคิดเนะี่ยต้องคิดแบบสัมมาทิฏฐิไม่จะไปคิดแบบมิจฉาทิฏฐิถ้าอย่างนั้นเสียหายเลยนะเขาว่าชนกเหตุนะก็ให้เข้าใจนะว่าเขาสามารถนําไปสู่ไบยูมิได้เขาสามารถนําไปสู่ไบยูมิได้ ถ้าถามว่ามิจฉาทิฏฐิกับปัญญานีต่างกันไหมมีสภาพที่ตรงกันข้ามเนียเข้าร่วมกันได้หรือไม่ได้ไม่ได้เลยเหมือนความมืดกับความสว่างหรือเหมือนกับคนสองคนหันหลังเข้าให้ให้ชนกันแล้วต่างคนต่างเดินเนะ่ั่นมิจฉาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิเนี่ยเหมือนไปด้วยกันแต่ไม่ได้ไปด้วยกันเราเอาหลังชนกันปุ๊บแล้วก็เดินเดินออกทั้งคู่ใช่ไหมเดินคนละทางเลยไหมห่างกันเรื่อยเื่ แต่ยังติดต่อกันอยู่เนี่ยเคยเคยสังเกตไหมถ้าศึกษาส ม, มาธิถี่สุดดีแล้วเนี่ยนักเข้านักเข้าเนี่ยเราจะห่างพวกห่างวิจาทณิติวพาเราก็กลัวใช่ไหมแต่เหมือนไปได้กันเนี่ยแต่เหมือนเราหลังชนกันแล้วก็เดินจากกันเลยทั้เนี้ยสำคัญส ม, มาธิถี่จะเหงาเองพะวิจารณิติเขาไม่เหงาอยู่แล้วเขาพวกเดียวก็ไปบวกส ม, มาธิถี่ให้ได้ก็แล้วกันหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่ไปหาบวกสมาธิถี่ให้มาก ถ้าไม่เพิ่มเนี่ยอยู่ไม่ได้ลำบากแต่ถ้าอยู่คนเดียวแล้วเที่ยวไปอย่างอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าบางทีบอกว่าเที่ยวไปคนเดียวเหมือนนอแรด แ, แรดเนี่ยเวลาเขาจะไปสัตว์ประเภทนี้ไปได้มากไปไปคนเดียวคือที่สุดจริงๆเวลาจะไปไปคนเดียวนั่ น, นะ <Oui. S 1> นนก็ให้เข้าใจอย่างนั้นนะว่าต่างกันจริงๆเพราะว่ามิจฉาทิฏฐิเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะนะ ก็จะนําบุคคล น, นั้นดิ่งลงอบยายภูมิแต่ถ้าสัมมาทิฏฐิเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วก็นําบุคคล น, นั้นให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปแล้วก็ไปรู้แจ้งในเริยสัจธรรมทั้งสี่โดยได้รับการอุปการละจากศรัทธาบางวิริยะบ้างสติสมาธิใช่ไหมสัมมาทิฏฐิก็เกิดส่วนมิจฉาทิฏฐินั่นก็เสียหายเลย ฉะนั้นองค์ประกอบของมิจฉาทิฏฐิก็ดังได้ที่กล่าวบอกว่าเนื้อความที่ได้ยึดถือไว้นั้นผิดจากความเป็นจริงนะแล้วก็มีความเห็นว่าเป็นความจริงนะองค์ประกอบทั้งสามทั้งสองทั้งสองประการนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้ความเห็นผิดเนี่ยดิ่งลงเรื่อยนะีทีนี้ถ้าวิมิจฉัยอาการห้าอย่างห้าอย่างก็คือว่าพึงทราบวินิจฉัยอกุศลกรรมบททั้งสิบเหล่านี้โดยอาการห้าก็คือโดยธรรมะธรรมโตเนี่ยหนึ่ง คือโดยธรรมะโดยโอกาสโกฏาสโตหนึ่งโดยอารมณ์อรมณ์โตหนึ่งโดยเวทนาเวทนาโตหนึ่งโดยเขาโมลมมระโตหนึ่งในบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าธรรมะโตเนี่ยมีเนื้อความว่าความจริงในจํานวนกรรมบททั้งสิประการนี้กรรมบท7ข้อตามลําดับกายกรรมสามวจีกรรมสี่ตาณาติบาตอธินนาทานกาเมสุมิจฉาจารมุสาวาต ปิสุนาวาจาพรุสวาจาสัมผัพราปะเนี่ยนะเป็นเจตนาทำตรงตัวทำไมต้องบอกเป็นเจตนาทำตรงตัวคือเนื่องด้วยเจตนาส่วนกรรมบทชสมอย่างมีอภิชาเป็นต้นเป็นตัวประกอบเจตนายกตัวอย่างเช่นเจตนาในการฆ่าเจตนาในการลักเจตนาในการประพฤติผิดในะอย่างนี้คือเนื่องด้วยตัวเจตนาโดยตรงเลยนะเจตนาในการพูดเท็จ เจตนาในการพูดส่อเสียเจตนาในการพูดคําหยาบเจตนาความจงใจในการพูดเพิกเฉอตัวนเนี้เน้นที่ตัวเจตนาตัวจงใจเจตนาคือให้สังเกตตนะพูดถึงในด้านของธรรมะคือตัวสภาพองค์ธรรมของเขาเน้นที่ตัวเจตนากรมบวตอีกสามอภิชาม้ไม่ได้เน้นตัวเจตนาหรอกเพราะองค์ประกอบอภิชาเป็นตัวของความโลภเพ่งเล็ง ทันทะาของบุคคลอื่นทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นคุณความดีของบุคคลอื่นเนี่ยตัวเพ่งเล็งตัวนี้เป็นตัวโลภะใช่ไหมแต่เป็นองค์ประกอบของเจตนานะ เป็นองค์ประกอบของเจเพราะโลภะไม่ใช่เจตนาไม่ใช่ความจงใจแต่โลภะนี่แหละไปร่วมกับเจตนาก็เลยกลายเป็นอภิชฌาพยาบาทก็ในยะอย่างนั้นแหละความคิดปองร้ายคนอื่นสาบแช่งคนอื่นเนี่ยนะแช่งชักหากกระโดดคนอื่นขอให้มันเป็นไปอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะบางทีก็ใช้คําแรงๆนึกในใจอยากให้เขาวิบัติอะไรเงี้ยเนียลักษณะเช่นนั้นจะเป็น พยาบามเหมือนคนกลา่าวเหมือนคนที่พูดมากๆาอะ่ะคนที่พูดมากๆแล้วเป็นคนที่ไม่มีกรรมฐานในใจจะเป็นยังไงฟุ้งไปฟุ้งจะกลายเป็นคนฟุ้งและที่สุดจริงๆจะเก็บอารมณ์ไม่อยู่เพราะเป็นบุคคลที่พูดมากพระเนี่ยพระที่เจริญกรรมฐานพระที่สอนหนังสือกลุ่มที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยเป็นคนที่อยู่ฟุ้งมาก ถ้าไม่มีกรรมฐานอย่าลืมว่าในขณะที่พูดเนี่ยถ้าจิตไม่เป็นบุญจริงๆแล้วเนี่ยมันอะไรขับเคลื่อนอกุศลเป็นตัวขับเคลื่อนเลยฉะนั้นคนที่พูดมากๆอย่าไปหาว่าคนจะเจริญบุญได้ดีนะถึงบอกการการเจริญบุญหนึ่งมันต้องจิตนั้นต้องตรึกน้อมเข้าหาบุญได้จริงๆถ้าอย่างนั้นอุ่นมากก็คือการเป็นพุ่งสั้นมากคือพยาบาทมากแล้วก็มิชาทิฐิ เป็นตัวประกอบของเจตนาโกฏาสโตในกา ร, รมบท7ตามลําดับรู้นะกา ร, รมบท7ตามลําดับก็คือปาณาธิบาตอธินาทานการเมสุมิฉาจารมุสาวาตปิสุนาวาจาพุทสวาจาสัมผัสภาราปัดเจข้อตามลําดับเนี่ยมิจฉาทิฏฐิอีกหนึ่งรวมเป็น8เป็นกรรมมบทอย่างเดียวไม่มีมูลเ อ, อไม่เป็นมูลรากเง้าของอกุศลคือเขาไม่ได้เป็นมูลไม่เป็นอกุศลละมูล ตัวปาณาทิบายเป็นอกุศลละมูลไหมอธินาทานกามสุมิจฉาจาร์ก็ไม่ใช่เป็นตัวมูลใช่ไหมพู้เท็ศผูดส่อเสียดคำหยาเพื่อเจริและมิฉาทิฐีเนี่ยไม่ได้เป็นมูลของอกุศลส่วนอภิชากับพยาบาทอภิชาเป็นโลภะไหมเป็นโลภะอกุศลละมูลส่วนพยาบาทคือโทสะใช่ไหมนี่เป็นโทสะแล้วก็เป็นอกุศลละมูลหนึ่งเป็นเป็นอกุศลด้วยแล้วก็เป็น อากุศลละมูลด้วยเป็นมูลของอากุศลด้วยเออบางทีเขาถามอย่างนี้เนเขาจะถามว่าทำที่เป็น